เข้าใจมากขึ้นไปสามจะกำจัดความสงสัยต่างๆได้สี่จะทำให้เกิดปัญญามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและห้าจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุข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 ระดับที่สูงกว่ามนุษย์เราก็เรียกว่าเทวดาหรือเทพทั้งหลายระดับสูงกว่าเทพก็คือระดับพรมระดับที่สูงกว่าพรมก็คือระดับพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆมีอยู่สขั้นด้วยกันคือขั้นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพาาระอรหัน นี่คือระดับขั้นความเจริญของจิตใจขั้นต่างๆที่เราสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปได้ถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฝังทมที่สอนวิธีการปฏิบัติการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไป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 หาเงินด้วยความสุดจริตคือไม่ไปทำผิดศีลผิดธรรมไม่ไปทำบาปจิตใจของเราก็ยังไม่ตกต่ำจิตใจของเราก็ยังอยู่ในท่าานะเดิมได้อยู่แต่ถ้าเราไปหาเงินด้วยการกระทำบาปเช่นไปฆ่าสัตว์เดือลักทรัพย์โกหกหลอกลวง พอเราหาเงินในรูปแบบนี้สภาพจิตใจของเราก็จะตกต่ําลงไปทันทีอยากมนุษย์ก็จะลงไปเป็นเดราชฉานถ้าเราทําด้วยความไม่รู้บางคนนี่ไม่รู้ว่าการหาเงินด้วยวิธีทําบาปนี้มีผลนอกจากการได้เงินมาแล้วยังมีผลทางด้านจิตใจอีกด้วยคือ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 ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเพราะอบายามุขนี้ก็แปลว่ากำลังไปยืนอยู่ที่ประตูของอบายกำลังจะเคลื่อนลงสู่ภพภูมิของอบายเช่นเดลชานเปรตอสูรลกายหรือนรก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 วิธีที่จะได้ทรัพย์แบบง่ายๆเร็วๆมากๆก็คือการกระทำบาปนั่นเองก็จะไปทำบาปนี่คือสาเหตุทำไมจึงต้องละเว้นจากอบายมุกผู้ที่ไม่เสพอบายมุกนี้จะปลอดภัยจากการถูกกดดันให้ไปกระทำบาปเพราะจะมีเวลาไปทำมาหากินตามปกติและจะมี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 ไปคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นเพื่อนก็จะถูกเขาชวนไปเสพอบายามุขเลยอยู่เรื่อยๆและมีความเกลียดค้านนี่คืออบายามุขห้าประการด้วยกันห้าหประการดื่มสุราเล่นการพ น, นันเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเที่ยวกลางคืนคบคนชอบอบายามุขเป็นมิตรและมีความเกลียดข้านในตนเอง นี่คือสิ่งที่ผู้ที่ไม่ต้องการให้จิตใจตกต่ำไม่ต้องการให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นในจิตใจจำเป็นที่จะต้องละการกระทำเหล่านี้เมื่อไม่ได้เสพอบายามุกจะสามารถรักษาทรัพย์ที่หามาได้จากการทราหากินด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตก็จะไม่ต้องที่จะต้องไปหาทรัพย์ด้วยการกระทำบาป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 แต่ก็เป็นการให้เหมือนกันเป็นทานเหมือนกันผลก็คือบุญก็คือความสุขใจความเจริญของจิตใจเจตจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นจะมีความสุขมากกว่าสุขของมนุษย์<ม>ก็จะได้สุขของเทวดาทําน้อยก็ได้ขั้นต่ําเทวดาขั้นต่ําทํามากขึ้นไปก็จะได้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 รักษาจิตใจไม่ให้ตกตำ่ำด้วยการไม่กระทําบาปและเสพอบายามุกต่างๆแล้วก็พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากความเป็นมนุษย์จากการเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นเทวดาด้วยการทําบุญทาทานมีเงินทองมากน้อยก็ไม่เก็บเอาไว้ให้ลกลุ่ลังเพราะรู้ว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ เก็ไว้ก็ไม่พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นก็เป็นได้แค่มนุษย์เท่านั้นเองแต่ถ้าเอาเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้นี้เอาไปทําบุญทําทานจิตใจก็จะมีความสุขมากขึ้นผลของการทําบุญนี้เกิดขึ้นทันทีทําบุญแล้วจจิตใจจะมีความสุขมากขึ้นแล้วสถานภาพของจิตใจก็จะเปลี่ยนจากมนุษย์ ขึ้นไปเป็นเทวดาตามลำดับ mm hmm. นะแล้วถ้ายังอยากจะมีความสุขมากกว่านี้ก็ยังสามารถทำได้โ mm hmm. ดยการภาวนา mm hmm. การภาวนานี้จะทำเพิ่มความสุขให้มากกว่าความสุขที่จะได้รับจากการทำบุญทำทานจากการรักษาศีล mm hmm. คือความสุขที่เกิดจากความสงบ mm hmm. เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง mm hmm. เหนือกว่าความสุขของมนุษย์เหนือกว่าความสุขของเทวดาคือความสุขของพรหมความสุขของพรหมนี่ก็มีหลายระดับด้วยกันแบ่งอยู่8ระดับที่เรียกฌานขั้นต่างๆรูปฌานสี่อรูปฌานสี่คือความสงบมากน้อยต่างกันนั่นเองเวลาที่เราภาวนาเราจะใช้สติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิด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 อันนี้ก็จะเป็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับยิ่งสงบมากก็ยิ่งมีความสุขมากนี่คือระดับของพรมที่เราสามารถที่จะพัฒนาจิตใจให้ขึ้นไปสู่ความสุขของระดับพรมได้แต่ความสุขหรือสถานภาพของจิตใจที่ได้รับการพัฒนาให้ขึ้นไปสู่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 ที่รักษาที่ทำให้ใจสงบนั้นอ่อนลงใจก็จะเสื่อมลงมาจากชานขั้นสูงลงมาสู่ชานขั้นต่าแล้วพอถึงขั้นต่าสุดแล้วก็จะเสื่อมลงมาสู่ความสุขของระดับเทพต่อไปจากระดับเทพก็จะเสื่อมลงมาตามลำดับไปเรื่อยๆจนถึงระดับของมนุษย์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 ทำความดีก็ต้องอาศัยสิ่งแวดแล้อมเป็นตัวหล่อหลองเป็นตัวผลักดันให้ไปทําความดีแต่ถ้าเป็นจิตใจที่มีสันดานที่มีทําความดีอยู่แล้วนี้จิตใจอันนี้เป็นจิตใจพิเศษไม่ว่าจะไปอยู่ในสังคมใดจะเอื้อต่อการทําความดีหรือไม่ก็จะทําความดีเของตนไปเพราะมันติดเป็นสันดานเป็นนิสัย เช่นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะทำแต่ความดีไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญการทำความดีหรือไม่ก็ตามแต่จิตใจที่มีสันดานที่ชอบทำแต่ความดี นี้จะไม่มีอะไรในสังคมที่จะมาหลอล้อมหรื อ, อ, อมากดดันให้ไปทำชั่วได้ <Yeah. S 2> การทการจะมีสันดานแบบนี้ได้ก็อาศัยการกระทำอย่างอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ <Yeah. S 2> ไม่ขาดตอนทำไปเรื่อยทำได้ทุกวันทุกเวลาทุกโอกาสเนี่ยทำไปแล้วมันจะฝังเข้าไปจนหลอล้อมให้ขึ้นมาเป็นสันดานเ <Yeah. S 2> ช่นเดียวกับสันดาน ในการทำความชั่วก็เป็นแบบเดียวกันถ้าขยันทำแต่ความชั่วทำอย่างต่อเ น, นื่องไม่ขาดตอนมันก็จะฝังเข้าไปเป็นสันดาลได้ถ้ามีสันดาลชั่วไม่ว่าจะไปอยู่ในสังคมที่ดีขนาดไหนสังคมที่ดีนั้นก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ก็จะทำแต่ความชั่วไปได้เรื่อยจะไม่สนใจกับการทำความดีอันนี้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 ถ้าวันดีเกินดีกิมีจิตสำนึกขึ้นมาว่าการกระทําต่างๆของตนนี้มันไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ได้ก็อาจจะฝืนรับแก้สันดานใหม่ได้เหมือนกันไม่มีอะไรที่ถาวรดีขนาดไหนก็เปลี่ยนเป็นชั่วได้ชั่วขนาดไหนก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นดีได้แต่ยากเท่านั้นเอง ดังนั้นอย่าประมาทพยายามหล่อล้อมจิตใจให้อยู่กับการกระทำความดีทำบุญทำกุศล<ม>เพื่อให้มันเป็นสันดานขึ้นมาเพราะว่าเราจะได้มีแต่การพัฒนาจิตใจมีแต่การสร้างจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลาดับอยาจะสร้างสูงขนาดไหนก็ยังต้องเสื่อมลงมาอยู่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 วิธีที่จะรักษาการพัฒนาของจิตใจไม่ให้เสื่อมลงไป mm hmm. พอถึงขั้นพรมแล้วนี้ยังสามารถรักษา mm hmm. ความสุขระดับพรมได้แต่จะเปลี่ยนสถานภาพจากพรมขึ้นไปเป็นพระอริยะเจ้า mm hmm. เพราะว่าพระอริยะเจ้านี้จะสามารถป้องกันความเสื่อมของจิตใจได้ และป้องกันการเวียนว่ายตายเกิดได้ลดการเวียนว่ายตายเกิดได้จากจำนวนที่ไม่มีวันสิ้นสุดมาเหลือเพียงเจ็บชาติสำหรับพระอริยเจ้าขั้นที่หนึ่งพอได้ภาวนาที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาจเจริญปัญญาเพื่อเกิดมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรก็เห็นอริยสัจสี่เห็นไตรักนี้เอง อริยาาสัจสี่ก็คือเห็นทุกขงังไตรลักษณก็เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาในสภาวะของใ น, ในสภาวะในสภาวธรรมทั้งปวงออไม่ว่าจะเป็นออสภาวธรรมในรูปแบบไหน เ, ออเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานออล้วนอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิน้น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 สภาวะธรรมต่างๆมาให้ความสุขกับตนได้พอเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งปวงเช่นราบยศจันรสเหรนรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงนทุกข์เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ให้มันเสื่อมได้ก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าอย่าไปอยากได้มันตัดความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยาก อะไรทั้งสิ้นอยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆได้ก็จะสามารถดึงจิตใจให้อยู่เหนือความเวียนว่ายตายเกิดได้สำหรับระดับแรกก็ยังไม่สามารถดึงจิตใจให้พ้นได้ทั้งหมดก็ดึงได้ให้พ้นจากอบายถ้าเป็นพระสวสดาบาลแล้วจะพ้นจากอบาย เพราะจะมีกำลังที่จะดึงจิตใจไม่ให้ตกต่ำยิ่งกว่าพกของมนุษย์แลวจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าพิจารณาจเจริญปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมอื่นๆที่ยังไม่ได้พิจารณาต่อไปก็จะสามารถตัดความอยากความยึดติดในสภาวะธรรมต่างๆได้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 วัฏฏะสงสารหลุดออกจากตายภพทันทีหลุดออกจากกามาพบรูปภพและอรูปภพายก็เรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์พระผู้ที่สิ้นกิเลสสิ้นความโลภความโกรธความหลงสิ้นความอยากต่างๆเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตายภพนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา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 เธอในในภพของของอบายทั้งสี่จากมนุษย์ก็ลงไปเป็นเดลฉานเป็นเปรตเป็นอสุลกายเป็นนรกแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทําบาปใหม่อันนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติเพราะยังติดอบา ย, ยมุกยังติดการกระทําบาปอยู่ยังเลิกกระทําบาปไม่ได้ยังเลิกเสพอบา ย, ยมุกไม่ได้ ส่วนผู้ที่เลิกทำบาปได้เลิกเสพบายามุกได้ถ้ายังไม่ได้ทำบุญก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตายแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังไปเป็นเทวดาไม่ได้เพราะไม่ได้ทำบุญแต่ถ้ามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็เอาไปทำบุญอันนี้ก็จะทำให้กลายเป็นเทวดาไปแล้วถ้าไปเจอวัดเจอ ผู้รู้ชวนให้ไปภาวนาถ้าไปภาวนาได้ก็จะเลื่อนจากความเป็นเทพขึ้นไปเป็นพรหมถ้าภาวนาด้วยสมถะคือใช้สติควบคุมจิตใจให้สงบจิตใจก็จะสงบแต่พอกำลังของสติอ่อนลงจิตใจก็จะเสื่อมออกมาก็จะเริ่มยืดเริ่มมีความคิดปรุงแต่งเริ่มมีความอยาก ที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเสื่อมลงมาเป็นเทพต่อไปแล้วก็ลงมาเป็นมนุษย์ตามลําดับแต่ถ้าสามารถจเจริญปัญญาละงับความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็จะทําให้เป็นพระอริยะเจ้าขึ้นมาเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเป็นพระสกิดาคามีเป็นพระอนาคามี แล้วเป็นพระอรหันต์ตามลำดับต่อไปพอได้เป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้ก็จะไม่มีวันเสื่อมเป็นพระอรหันต์ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นพระอริยะบุคคลไม่ว่าจะขั้นไหนก็จะไม่เสื่อมลงไปจากขั้นนั้นมีแต่จะคอยปฏิบัติให้สูงขึ้นไปเท่านั้นเช่นถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่กลับมาเป็นปุถุชน อีกต่อไปจะเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะปฏิบัติเพื่อให้สูงขึ้นไปจากเป็นพระโสดาบันก็จะไปเป็นพระสกิดาคามีจากพระสกิดาคามีก็จะเป็นพระอนาคามีจากพระอนาคามีก็จะเป็นพระอาหารหันต์ตามลำดับต่อไปการพัฒนาของจิตใจพอได้เข้าสู่ขั้นระดับของพระอริยบุคคลแล้ว จะไม่มีเสื่อมไม่มีขึ้นไม่มีลงมีแต่ขึ้นอย่างเดียวทั้งอยู่ถนะ้าถ้ายังอยู่ในระดับของพรมของเทวโลกอยู่นี่ยังมีการเสื่อมอยู่นั่งสมาธิจิตรวมเป็นฌานได้ตายไปก็ได้ไปเกิดบนพรมะโลกพอกำลังของสติเสื่อมลงฌานก็จะเสื่อมตามเสื่อมลงมาจากพรมะโลกก็มาติมาแวะที่เทวโลกก่อน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 ทั้งๆ ท, ท, ที่มีนิสัยที่จะชอบทำบุญอยู่ก็ตามแต่เวลาเกิดมีเหตุการณ์อะไรมาทำให้เกิดความโกรธขึ้นมาแรงๆก็อาจจะหลงไปทำบาปได้เหมือนกั น, นการมาเกิดเป็นมนุษย์จังยังมีความเสี่ยงอยู่ต่อการไปเป็นอบายอยู่ถ้าเราไม่ได้ไปสู่ขั้นของพระอริยเจ้านะ แต่ถ้าเราได้ขึ้นไปสู่ขั้นของพระอริยเจ้านี้เราจะมีสติปัญญาที่มีกำลังมากกว่าเวลาที่เรามีความโลภเ ก, กิดขึ้นมารุนแรงขนาดไหนก็ตามพระโสดาบันนี้จะยับยั้งไม่ให้ไปกระทําบาปได้พระอริยบุคคลทุกระดับจะสามารถยับยั้งจิตใจไม่ให้กระทาบาปได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบีบคั้นจิตใจ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 ถ้าเรามีการกระทาดีในทางกายวาจาใจก็จะทำให้ใจพัฒนาสูงขึ้นไปตามลำดับถ้ามีการกระทาชั่วทางกายทางวาจาทางใจก็จะเป็นการดึงใจให้เสื่อมลงต่ำลงไปตามลำดับแล้วเวลาร่างกายไม่มีใจก็จะต้องไปรับผลของบุญและของบาปนี้ไป แล้วถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะได้รู้วิธีที่จะทําให้พัฒนาแบบไม่เสื่อมไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาพัฒนากันอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะต้องกลับมาพัฒนาอยู่เรื่อยๆพัฒนาได้สูงสุดก็ขั้นระดับพรหมโลกแล้วพอตายไปหลังจากที่ไปรับผล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 จะต้องรอให้มีธรรมะมาสอนเท่านั้นต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสร่งที่จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่สรตว์โลกหากันอยู่เป็นความสุขนี้ความจริงมันเป็นความสุขนิดเดียวแต่ความทุกข์ที่ได้มาอันนี้มันมากกว่าความสุขหลายร้อยเท่าได้แล้วไม่คุ้มเสียมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นลาบยศจันละเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมีเจริญแล้วมันต้องมีเสื่อมมีหมดไปเวลาหมดมันก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีห้ามันไม่ได้เป็นอนัตตาอามันเป็นอย่างนี้หามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องหมดหมดแล้วก็ต้องเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้อันนี้เราก็จะได้ความรู้ใหม่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 กลับมาฟังอยู่เรื่อยๆท่านถึงบอกว่าการฟังทำตา ม, ตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งตามการตามเวลาก็อย่างที่พวกเราได้กําหนดกันเดือนนั้นหนึ่งครั้งอย่างน้อยก็มาฟังธรรมกันสักครั้งหนึ่งเพื่อมาเสริมความรู้เพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วเพื่อที่เราจะได้นําเอาไปปฏิบัติพัฒนาชีวิต จ, จิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดได้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 อิชิตังปัติตังตุมหังคิดมะเมวะสมิจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทานสีลิธสานิจังวุฒาปจายโนยตาโรธรรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลั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 แต่อย่าถามตอนที่เลิกประชุมแนละ้วเพราะจะไม่ได้ตอบเพราะหมดเวลาเออนถามถามตอนนี้เลยวันนี้ทาง Facebook YouTube ไม่ทราบเข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สามร้อยห้าสิบสี่คนครับยู u ูบหนึ่งร้อยสามคนเรดิโอยี่สิบสองคนผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยหกสิบห้าคนรวมทั้งหมดหกร้อยสี่สิบสี่คนครับระอาจารย์ ก็อยู่ประมาณเกนเกณฑ์ทองว่าก็หกตองหกกลไกเคียงมีเพจปลอมขึ้นมาเป็นเป็นชื่อพระอาจารย์สุชาติเขมธรรมโมแล้วก็มีรูปพระอาจารย์ด้วยะนะครับแดสดงว่ามีแสดงว่าเราม ม, ม, มีมีคุณค่ามีคน <c oughs> แล้วคนจะดีใจอย่าเสียใจมีคนเรียนแบบนี่แสดงว่าเราดีเขาอยากจะเรียนแบบครับแล้วก็มีมีชดเพจชื่อพระอาจารย์สุชาติอภิชาตตาโตครับ<อ>แล้วก็แต่ในเพจของพระอาจารย์สุชาติเขมธรรมโมเนี่ยอมีการมีการมีการแจ้งว่าสนใจเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเดชสักกลูกหมายโยมครับ ก็เดี๋ยวก็โพสไปในเพจก็แล้วกันบอกว่ามีเพจปลอมอยู่ให้ญาติโยมติดตามได้รูแล้วเรื่องเลื่อน ร, รายนี่เราไม่มีการเลืยอนรายถ้าอยากจะทราบว่ามีไม่ก็ต้องเช็คกับอเพจเราอีกทีหนึ่งอีกทีแต่ไม่มีปกติจะไม่ได้เลืยอนรายของเงินไทยอยู่ในโลกก็อย่างนี้แหละโลกทุกคนก็อยากจะได้อืเหมือน ใช้ชื่อตัวเองไม่ได้ก็ต้องใช้ชื่อคนหนึ่งอ้าถ้ามีคําถามก็อ่านได้คําถามจากคุณสาลาฝากถามนะคะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะเวลาพระอาจารย์เดินบินธบาตข้าวพระอาจารย์ที่เทใส่กะํะมังตอนบินธบาตญาติธรรมนําเก็บไว้ไม่มากและแบ่งให้ผมนิดนึงบอกเป็นสิริมงคลคําถามคือ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 ให้พระผู้ใหญ่เป็นผู้พิจารณาก่อนจนถึงพระอันดับสุดท้ายถ้ามีของเหลือจะเอาไปแจกให้กับลูกศิษย์ลูกหาญาตโยมก็สามารถทำได้อันนี้บางแห่งก็จะต้องสวดกันทุกครั้งแต่บางแห่งก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมไม่ต้องสวดเข้าใจกันแล้วว่าของเจจะเอาไปได้นี้ต้องรองให้ ทางวาดเขาจัแยกออกมาอีกทีหนึ่งก่อนถ้าถ้าไปทำตอนที่ยังไม่เสร็จเช่นไปบินาบาดกลับมายังพระยังไม่ทันแบ่งก็ขอไปละอันนี้ก็มันผิดขั้นตอนแล้วอันนี้ก็ถ้าเอาไปก็ถือว่าผิดก็อาจจะเป็นเปรดได้ถ้าทำบ่อยๆถ้าทำคนเดียวก็เป็นเปรด น, น, นิดเดียว <laughs> ถ้ารูก็ต่อไปก็อย่าทําก็แล้วกันนะของพระถ้าไม่จําเป็นจริงๆเราอย่าไปเอาของท่านดีกว่าเรามีเงินทองของเราเราไปซื้อกินของเราดีกว่าปลอดภัยกว่าแต่ถ้าพระก็ให้เรานี้ไม่เป็นไรนถ้าพระให้กับเราเนี้แสดงว่าไม่เป็นเปรตล้วพระท่านอดุญาตเพราะของทางของทางเรานี่เราก็ ก็อนุญาตให้แบ่งให้ได้อย่างเราก็มีนมมีอะไรก็แจกให้เด็กไปอย่างนี้ถ้าพระแจกให้แล้วพระสงฆ์ท่านก็ไม่ไม่ว่าอะไรก็ถือว่าอนุโมทนาอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเปรแต่ถ้าเราแจกแล้วมีพระมาบน่นว่าทําไม่ถูกเราก็ต้องหยุดเพราะว่าเขาไม่อนุโมทนาเขาไม่ยินดี แต่เท่าที่ผ่านมาก็ไม่มีท่านใดท่านจะมาไม่ไม่ยินดีด้วยก็เลยทํทาทำไปนี่ก็คือหลักง่ายๆพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นของพระแล้วท่านไม่ให้เราเราอยากไปขอขอนี่มันก็เป็นการโลภละเป็นกิเลสขึ้นมาละแล้วถ้าไปโลภแบบผิดผิดศีลมันก็เป็นเปรตขึ้นมา แต่ถ้าโลภแบบไม่ผิดศีลนี่ก็ยังไม่เป็นเปรตแต่ก็ยังเป็นมนุษย์ที่โลภอยู่ก็ไม่ดีความโลภมันไม่ดีเพราะมันจะทำให้เราไม่ช้าก็เลยว่าอาจจะต้องไปทำบาปเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้มาก็ได้ดงนั้นพยายามคอยควบคุมความโลภไว้ให้เราเอามักน้อยสันโดษยินดีตามดีตามเกิดพระให้ก็รับพระไม่ให้ก็ลแล้วไปแล้จะปลอดภัย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 รู้เพียงบางส่วนรู้แต่ภายนอกเห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นเองแต่นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอาการต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังที่เรามองไม่เห็นถ้าเราหมั่นศึกษาดูอยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นส่วนที่มันไม่น่าดูไม่น่ารักแจ่เห็นโครงกระดูกนี่ก็กลัวละใช่ไหมเห็นโครงกระดูกเลยเห็นปอดเห็นตับเห็นหัวใจเห็นลาไส้นี่ ถ้าเราศึกษาอะนาตมี่ซะหน่อยต่อไปความรักมันก็จะหายไปความรักแบบนี้จะหายไปคือรักความสวยงามของร่างกายหายไปแต่ความรักด้วยความเมตตาไม่หายความรักมีความปรารถนาดีที่จะให้เขามีความสุขนี้ไม่หายไปจากการเจริญอรสุภาการเจริญอรสุภาเนี่จะทำให้ความรักที่เกิดจากกามอารมณ์หายไป ดังถ้าเรามีปัญหาทางนี้เราควรจะหัดเรียนรู้วิชาอน a t ตม y คือดูจากร่างกายของมนุษย์เราว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างเมื่อยากเย็นตรงไหนอาการแค่32เรียนอะไรมาได้ต้องเยอะแยะแก่าการอาการ32ที่มีคุณปร ะ, ประโยชน์อันมาหาศาล น, นี่กับไม่เรียนกันเลยกลายเป็นทาตของการอารมอยู่คนเดียวก็เหงาว้าเวีเศ้าซ้าอยห้อยเหงา เพราะการอารมณ์เพราะอยากจะมีแฟนอยู่ใกล้แฟนแต่ถ้าได้ศึกษาอนาตมีของแฟนแล้วก็จะไม่อยากอยู่ใกล้แฟนแล้วอยู่คนเดียวจะไม่เหงาอยู่เราจะสบายไม่ต้องไม่ต้องมีความรู้สึกเหง า, ว, าว้าเหวหรือวุ่นวายใจไปกับเขานะนนลองไปหัดศึกษาดูนะอาการ32 เปหนังสือเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตง่ายเนี่ยเปิดดูได้เดี๋ยวนี้เลยเขียนคําว่าอะนาตอมี่เข้าไปถ้าเราเป็นหญิงแล้วก็ดูอะนาตอมีของผู้ชายถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็ดูอะนาตอมี่ของผู้หญิงอแค่นี้เองแล้วก็ดูแล้วก็พยายามจําเอาไว้จําเอาไว้ทุกครั้งที่เราเห็นคนที่เรารักเราก็คิดถึงอะนาตอมีของเขาแล้วมันก็จะทําให้เราคลายความหลงคลายความ กำหนัดยินดีในร anything, <t <t so, happened, ่างกายของเขาได้แล้วจะทำให้เราไม่มีปัญหาเรื่องเพศอีกต่อไปจบถามได้เลยถามได้เลยพอดีลูกคุยใกล้ๆปากหน่อยไมโครโฟนลูกมีคำถามอะค่ะเขาถามว่าเออทำไมจะต้องเกิดอะค่ะ อ๋อก็เพราะว่ามันมีความอยากไงความอยากมีความอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีร่างกายถึงจะมีความสุขได้เวลาไม่มีร่างกายก็จะมีความรู้สึกหงุดหิดเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเวแต่พอได้มีตาหูจมูกลิ้นกายไปดูรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็เกิดความสุขขึ้นมา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 แต่พอเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ไม่ต้องบังคับเลยวิ่งถามหาหมอกันว <c oughs> นุ่นไมหมดดังน้นตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของเขาก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนคำถามต่อไปจะคุณปอมค่ะอยากทราบว่าจะให้เกิดนิพพยาย น, นี้ต้องกระทำในขั้นอุปจาราสมาธิเท่านั้นหรือเปล่าคะก <c oughs> ารที่เราใช้ความคิดให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเว้นไหวไตเกิด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 แต่เทนิพิธาแบบจิต ท, ที่ไม่สงบนี่มันจะมีความรู้สึกเหงาว่าวเวเบื่อเบื่ออยากยากเนี้ยเบื่อแต่ก็ยังอยากอยู่อยู่คนเดียวก็เศร้าสร้อยงอยเหงาจะไปก็ไม่อยากไปไปก็ลำคาญเบื่อเกืนไม่เข้าคลายไม่ออกนี่เรียวนิพิธาแบบเกืนไม่เข้าคลายไม่ออกแต่ถ้ามีความสงบจิตสงบมีความสุขมันจะเห็นโทษของ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 เราไปทำอะไรเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ด่าเขาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็มาทำให้เราด่าใหม่ได้อีกอันนั้นเราอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าปล่อยเขาทำอะไรไปตามเรื่องของเขาเขาอยากจะพูดเขาอยากจะทำอะไรเขาปล่อยเขาทาไปอย่าไปอยากให้เขาทำตามที่เราต้องการเขาแล้วกันที่เราอยากจะด่าเขาก็เพราะว่าเขาทำไม่ไม่ได้ทำตามที่เราต้องการให้เขาทำเราก็เลยโกรธเขาเลยก็อยากจะด่าเขา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 แต่ถ้ายัางใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนพอโลภปับ๊บพอรู้ว่าโลภแต่หยุดไม่ได้ก็ใช้พุทโธพุทโธใส่มันเข้าไปนะครับพอพุทโธไปสักพักเดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่เราโลภความโลภ ก, ก็จะหายไปคำถามจากคุณสองนารีค่ะเพื่อนฝากเงินไว้ทาบุญใส่บาททาแล้วเราแจ้งให้เขาทราบเขาจะได้รับกุศลเหมือนที่ตัวเองใส่บาทเองหมคะ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 เราเราเป็นผู้ได้ส่วนนั้นไปเราเป็นผู้มีความเพียรเดินทางมาทำให้เขาเป็นบุญคนละอย่างกันทานเป็ น, านปการให้ส่วนความเพียรนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งความขยันหมั่นเพียรคําถามจากคุณประพัสอนค่ะคนที่ทำแต่บุญแต่ไม่ได้ทำหลักของใจในวงเล็บภาวนาไว้ก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีที่ดินแต่ไม่มีโฉนด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 เป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำไปตามขั้นตอนเหมือนกับการศึกษาเริ่เรียนเราก็ต้องเรียนจากขั้นอนุบาลขึ้นสู่ขั้นประถมมัธยมตามลำดับไม่ใช่ว่าเราอยากจะเรียนปริญญาเราก็จะไปเรียนได้เลยไม่ใช่ว่าเราอยากจะภาวนาแล้วเราจะภาวนาได้เลยถ้าเรายังไม่มีศีลยังไม่มีฐานเราก็อาจจะภาวนามไม่ได้ได้ก็ได้น้อยน็นเราก็ต้องทาให้มันครบบริบูรณ์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 คำถามจากคุณวีระวันค่ะอายุ82ปีเพศชายเอาแต่ใจตัวถูกต้องเสมอจะอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันจะอยู่ไงก็ต้องเปลี่ยนใจนะั่นนะก็ต้องดูตามเหตุผลว่าใครถูกใครผิดก็ต้องยอมว่ากันไปตามผิดตามถูกถ้าเราถูกก็ว่าไปถ้าเราผิดก็ว่าไปอย่ า, อ ย, าอย่ายึดแต่ความรู้สึกน เราคนเราไม่แน่นอนบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดเนี่ยเอาคําถามคําสุดท้ายอ่ะมีมีคุณหมอฝากคําถามข้างหลังมาคุณหมออ่านเองก็ไดอ้อยากถามเรื่องของสังขารนะครับหักไม่เข้าสมาธินี่เราสามารถท้ามไม่ให้มันเกิดได้หรือไม่ครับดรวยว่ามีแต่สติกับการปรุงแต่งต่อเนื่องครั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 มาคอยคือมันเหมือนสู้กันตลอดมันก็ ม, น ม, มันไม่ยอมสมาธิเรายังไม่มีกําลังมากพอไงต้องฝึกสติฝึกฝึกสมาธิให้มากก่อนให้ให้นิ่งนานๆก็ไปนั่งเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยจิตสงบเป็นชั่วโมงถ้าอย่างนั้นออกมาแล้วจะมีกําลังสู้กับมันได้ถ้าไปเข้าไปแป๊บเดียวแบบคณิกะนี่มันยังมีกําลังไม่พอพอสู้ได้บ้างแต่พอสักพักเดียวก็หมดกําลัง ถ้าสู้ไมได้ก็แสดงว่าสติหมดกำลังก็ต้องกลับไปสมาธิไปเพิ่มกำลังก่อนเหมือนชาร์ารจแบตเตอรี่เครื่องนี้ถ้าชาร์จแค่ห้านาทีก็ใช้ได้ไม่นานถ้าชาร์จสักชั่วโมงนี้มันก็ใช้ได้นานกว่ า, างั้นการเข้าสมาธิก็เป็นเหมือนการไปชาร์จแบตของจิตใจให้มีกำลังมาต่อสู้กับกิเลสตัณหา แล้วเราพอชัร์จเข้าไปออกมาเราต้องพิจนารณาไป<ก>ว่าก็อสุภาอโ อ, ส, อสุภาดูอสุภาไปเรื่อยๆก่อ น, นครับแล้วก็พอมันเกิดการมาราคะเราก็ใช้อสุภาเนี่สู้กับมันไปถ้าจิตอยู่กับอสุภามันก็จะดับถ้าออกจากอสุภาถ้าลืมอสุภาเมื่อไห่มันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้มันอยู่ที่ความคิดของเราจะคิดไปทางไหนถ้าไม่มี สติไม่มีปัญญามันก็จะคิดไปทางสุภาอยู่เรื่อยๆเห็นอะไรก็สวยงามไปตลอดแต่ถ้าเรามาฝึกสติฝึกปัญญาต่อไปเราก็จะสั่งให้มันคิดไปทางอสุภาได้อย่างต่อเนื่องถ้ามันอยู่กับสุภาแล้วรับหล่าได้ว่ามันจะต้องดับปัญหาเกิดมันไม่อยู่กับสุภาอย่างต่อเนื่องสูได้ยอยู่สู่แป๊บๆเดี๋ยวกับไปสุภาอีกแล้วอนันนะแสดง ว, ว่าเรายังควบคุมใจไม่ได้